กุฑาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรณรีนาคพงษ์มาอีกแล้วนะคะรายการสรรณรีสนทนาหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบๆปีคราวนี้ก็ได้มาช่วยพระอาจารย์ไผ่ FM 106 ให้ แล้วก็เป็นเรื่องที่พยายามจะให้สอดคล้องกับความเป็นทันสมัยของความเคลื่อนไหวภายในโลกๆเราไปพบกับท่านกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวตัวมาเองเนี่ยปฏิบัติตามเหมือนเป็นคําสอนของพ่อนะเพราะฉะนั้นเราเรา take it to the heart เลยคือแบบเราเราแบบว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก็ คือหมายความว่าอยู่ที่ว่าคุณเห็นความสําคัญก็ทําเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเอาใหม่ที่เห็นท่านท่านผู้ฟัง ท่านถือเอาเฉพาะตัวท่านเองอื่นๆมากกว่านี้เอ่อพินัยกรรมในที่นี้พระ ตัวพระองค์ธรรมก็คือว่าพอผมงอกเมื่อไหร่ปุ๊บนะจะล่ะเค้าข้อปฏิบัติที่ดีเอาไว้ให้ของ <Okay. S 1> 8 นะศีลสมาธิปัญญาเพราะ เป็นบุตรคนสุดท้ายในธรรมวินัยนี้เป็นลูกคนสุดท้ายนะเราทั้งๆที่จะตาม แต่ออมไม่เคยเห็นพ่อเลยนั้นมีแต่หลักฐานของพ่อแม่บางทีตัวอามาแล้วคิดถึงปู่ย่ามาก แต่หลักฐานความเป็นอยู่ของพ่อเนี่ยอยู่ที่ธรรมะนั่นใช่แต่ทีนี้บรรพทีบางคนสับสนนะคะ เถอะค่ะเราพูดความไม่สงบในชายแดนใต้แล้วก็มีการอ่าส่งคนไปทํางานโดยกระทรวงมหาดไทยไปเป็นปลัดแล้วก็พาให้พรท่านทั้งหลายกันไปนะคะทีนี้วันนี้ก็มีความปรารถนาดีของอ่ามูลนิธิมูลนิธิ 1 ดิฉันได้อ่านเจอในหนังสือพิมพ์มาค่ะที่เค้าถึงความไม่ ว่าจะไปปรับโปรแกรมสมองอืมนะวิธี TM TM ย่อ Trans อะไรสัก Meditation อ่าค่ะเค้าบอกว่าอะไรนะคะเป็นปรมาต สมาธิถึงขั้นที่ 4 แล้วก็จะคุณธรรมและรวมไปถึงการรัก 30 ล้าน แต่จะ Trans จะกราบเรียนถามท่านคือ TM เนี่ยเนาะค่ะ TM เอ่อเป็นแบบเดียวกับสมาธิๆยังไงระดับ 4 ขั้นก็ 4 ก็คือบอกคือ TM นี้เอ่อซึ่งมันก็จะแตกต่าง 4 ขั้นก็คือชั้น 1บบาา2 3 ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบก่อนว่าความพยายามจะแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยก็พยายามกันหลายได้ยินว่าหลายศาสนามากเลย อย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังพยายามจะไปถึงสมาธิสมาธิเนี่ยเอ่อส่วนใหญ่นะในเอ่อที่เขาพูดถึงใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 2 oh. ส่วนคือส่วนที่เป็นสมถะแล้วก็วิปัสสนานะส่วนที่ อันนี้ก็ 2 จุดในที่ที่<ห> 1 แล้วเนี่ยการที่จิตเป็น<ใช> 1 เนี่ยอาจจะมีความคิดก็ได้จะไม่ได้ว่า คิดเลขภาษาอังกฤษหรือคิดเลขหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทํา 1 ในระดับ 1 ที่ถ้าผมว่าจิตไม่ 1 มันจะ 1 แบบมี นะตั้งแต่สมาธิแบบที่เอ่อมีความคิดไม่มีความคิดมีความสุขอย่างงี้มี 1 นะ, เนี่ยก็คือจุดประสงค์ก็ เหมือนเค้าจะโฉกไม่ได้นะเค้าจะชิงวิ่งเลยจออยู่ปุ๊บลักพั้วแหมจังหวะพอดีอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งมันก็เป็นสมาธิเหมือนค่ะอืม คือดิฉันกำลังจะกราบเรียนถามท่านว่าสมมุติเรา 1 ชั่วโมงอันนี้ช่วยได้แน่นอนนี้ช่วยได้แน่ คือหมุนขี้หมาเลยนะคุณก็ยังได้จิตที่เอ่อเป็น 1 เพราะว่าจิตคุณมีสติระดับหนึ่งไม่ถูกมันดึงไปง่ายๆนะไอ้การอารมณ์เกิดขึ้นไอ้อารมณ์เนี้ย นะมีความเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นการตัวที่จะเรียกว่าจะฝึกไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปตามผัสสะนี้มาก ไม่ใช่ใช่เราจึงจะต้องแยกกันนี่ถูกนะว่าสมาธินั้นมันทุกคนควรจะต้องมีอืมเพราะฉะนั้น นะตับในการปฏิบัติอาจจะยังไม่กว้างขวางนะเราจึง นะจากลูกนะลูกจากที่พูดยากบอกยากนะ นะ, นะ, 7 วันกลับบ้านสบายสบายนะพูดดีเออเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนทีเดียวค่ะแต่ <ม. S 1> แล้วพรุ่งนี้ชาวต้องกินอีกยังไงมันก็ธรรมดาค่ะเพราะดิฉันเองก็เห็นโอ้แน่นอนหลวงพ่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและตอนนี้ก็มีคนเข้าร่วม กัปผู้ที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้รู้ว่าพระพุทธองค์ FM 106 ครอบครัวข่าว